ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับหน้าที่ของเราด้วยและเพื่อหน้าที่ต่อส่วนรวมด้วยทุกวันทุกวันหลายวันมานี้ก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเพราะว่าศิษยกับอาจารย์ก็คุ้นเคยกันมากขึ้นแต่จำชื่อไม่ได้หมด จำหน้าตาไม่ได้หมดด้วยบางทีแต่เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ก็ไปสู่เพราะว่าเป็นลูกศิษย์เลยผิดไปเลย <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามการที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึงขั้นนี้แล้วถือว่ากำลังได้บรรจุสิ่งต่าง เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิให้กับนักศึกษาทุกๆคนได้อย่างมากเป็นที่น่าพอใจคำว่าน่าพอใจนั้นหมายถึงว่าเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิอย่างจริงจังเพราะเหตุว่ า, าการแนะนำหรือการสอนของหลวงพ่อนั้น เราลำดับขั้นตอนมาตามลำดับหมายความว่าว่ากันมาจากสุบานมาเลยจนกระทั่งขนาดนี้ก็คงจะใกล้เข้าถึงมัธยมก็แล้วที่ว่าใกล้มาถึงมัธยมนั้นเราก็ดูที่ร้านจิตใจการลากการยกระดับจิต การยกระดับจิตนั้นบางทีตัวเราเองนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเรายกระดับจิตไปถึงแค่ไหนแล้วแต่ว่าผู้ที่เขารู้ได้นั้นเขาก็จะรู้ว่าเราได้ยกระดับจิตขึ้นมาระดับหนึ่งหมายถึงว่าแต่ระดับจิตที่เราทําอยู่ทุกวันทุกวันนั้นไม่ได้ เสียประโยชน์ไปแม่แต่กระเบียดนีเดียวระดับจิตเรานั่นจะได้เพิู่นขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเพิ่มปูนขึ้นมาแล้วมันก็เกิดระดับเหมือนกันกับครูที่สอนนักเรียนนักเรียนเองก็คงจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเรียนไปได้แค่ไหนเท่าไรแต่ครูนั่นเขาจะรู้ว่านักเรียนเนี่ย ทีความรู้ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนถ้าจงให้ครูประจำชั้นได้เป็นผู้ที่ยีสิทธิให้คะแนเนเรียกว่าคะแนนคะแนนช่วย <c oughs> เพราะว่าใครจะไม่รู้ดีไปกว่าอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่ ประเชนเดียวกันการสอนสมาธินั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งใมาสอนแต่เฉพาะขณะนี้และเวลานี่เท่านั้นก็ไล้สอนมาเป็นเวลาถึงห้าสิบกว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรู้ว่าหนัาคึกษาคือผู้ที่มาเรียนสมาธินั้น ได้ดำเนินกิดไปถึงแค่ไหนเพียงไรในที่นี้เราไม่ได้เรียกว่าอุตริกมนุษยธรรมคำว่าอุตริกมนุษยธรรมนั้นือสัองเกตตัวเองว่าได้บรรลุแล้ว ท, ท, ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้บรรลุอย่างนี้านาั่งวา ห, หมกังวะสมาชิวาสมาเปาาน็นวามกสังวานิ เาพูดเป็นภาษาบาลีว่าคนปวดตัวว่าได้สําเร็จคัดนั้นคัดดีแล้วนั่นหรือว่ามากปวรโดยที่ตัวยเองให้ได้อะไรเลยในข้อนี้ทางวินัยของพระเนี่ยหลับประหารชีวิตเรียกว่าประหารชีวิตเลยถ้าหากระาทำแทบี้คำว่าป ร, ประหารชีวิตหมายถึงว่า หมดสภาพความเป็นทักษิสุทันทีทันทีที่อวดและผู้นั้นจะกลับมาอวดอีกไม่ได้เป็นันรวดหมดสภาพเรียกว่าประหารชีวิตเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงมีความสำคัญแต่เกี่ยวพูดง่ายไม่ได้แต่การที่พูดวันนี้เราพูดในฐานะ คูอาจารย์ลุกเิแล้วก็ไม่ได้คิดจะบวดแต่ว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นยังไงก็พูดตามนั้นมาถึงวันนี้ก็มันจะมาพูดกันถึงเรื่องสมาธิควบคุมอารมณ์อารมณ์มนั้น มีหลากหลายมีอารมณ์บางอารมณ์ที่มีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้จิตใจเข้ามองหรือให้เกิดความหุ่นเคือตลอดจนถึงเกิดความวุ่นวายและคึงข้าทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นทำความเสียหายแก่กิจการงานครอบครัวและสงังคมเป็นอันมากหากควบคุมไม่ได้จะเกิด ภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเองพ ย, ยายามหาทางระงักอารมณ์ด้วยวิธีการต่ตางๆในสตยเส้นขอน้อนี้เราพูดรุมหมดเรียกว่าคุมหมดทั้งโลกว่าโลกทั้งโลกนี่มันจอยู่ในสายเส้นขอน้อนี้เพราะว่าทุคคลไม่ว่าถชาติใดภาษาใด มีอารมณ์หลากหลายและมีความรุนแรงความรุนแรงของอารมณ์นะที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ที่เกิดสงครามและเป็นเกิดการฆ่าปันการกินเป็นเหตุการทายาบาลท่าจงเลนเป็นเหตุขัดความที่เรียกว่าทายาบาลท่าฆ่าท่าพบท่าฆ่าอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเร่อง แ่ความที่เกิดอยากมารมเพราะฉะนั้นในข้อนี้นั้นอย่าได้ไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มากและตัวของเราเองในขณะนี้ทุกคนต่างก็มีอารมณ์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าหามว่าเกิดอารมณ์ที่มันให้ดีเนี่ยมันจะซาจอสามารถที่จะสร้าติ ที่แน่าจะคิดให้เกิดมาได้ผูวระยะเพียงแบคบสิษาเกิดมาได้ที่ต้องพูดถึงอารมณ์ให้ละเอียดนั้นเพราะมีความสาคัญอย่างริ่งจึงจำเป็นต้องย้ำการอธิบายเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจขณะที่อารมณ์ฉุนเฉียวเกิดจากความไม่พอใจใด้อย่างเกิดขึ้นเพราะความฉุนเฉียวนี้ บุญเกิดมันก็เกิดทิศอยากกับทันหันเพราะอาจจะสังเกตได้ว่าเหตุที่จะให้เกิดบางสิ่งเดียวบางทีเรื่องใหญ่โตแต่ไปสิ่เดียวนิดเดียวแต่บางทีเรื่องนิดเดียวเกิดสิ่งเดียวใหญ่โตอันนี้เพราะเหตุใดเพ่าะเหตุว่าเรื่องใหญ่สมาธิกุมอยู่เพราะมีกาลังด่วนเรื่องเล็ก คุมไม่อยู่ก็ห่อนกําลังเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราสามารถปรับกําลังให้เท่ากับเรื่องใหญ่ต่อไปเรื่องเล็กๆก็ไม่มีความหมายบางทีอารมณ์การขุนหรือ อ, อสการขุนก็คือหาเราว่านี้ก็เกิดปฐมอีกระดับหนึ่งรุนแรงขึ้นอารมณ์รุนแรงขั้นนี้จะงับไหวหรือไม่ ถ้าระงับได้เพราะอะไรระงับไม่ได้เพราะอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้นั้นมันไม่บอกกล่าวมันาาาอาจจะเกิดพอเขาพูดแวบเดียวแต่ก่อนเขเคยโกรธนะทีนี้เครโกรธอาจจะเป็นรักเป็ น, วนเวทอะไรอย่างเนี้ <c oughs> ยเพียงแค่ลถตัดหน้านิดเดียว เยียงแค่คนในรีท้ายหรือเพียงแค่คนพูดกระทบนิดหนึ่งมันก็เกิดจึดเพราะจะต้องแก้ไขจึงต้องรู้ปมว่าจะแก้ปมนี้ได้อย่างไรผมนี้คือจุดกินแรงถ้าเกิดบ่อยๆรากษาในร่างกายอาจทุจราตได้เพราะว่าเ อ, อ อารมณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราไปคิดหรือบางทีนี่มันเกิดอารมณ์เศร้าใจเสียใจเพราะว่าเราทาอย่างนี้มันควรจะได้ดีแต่มันกลับไม่ได้ดีแต่คนที่เราช่วยเอาไว้กลับมาทรยศเจนี่ทุกอย่างทุอย่างเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาจนแต่ฟังใจของเราเนี่ยราหับไม่อยู่ เราจะคิดเรื่องเดียวนี้ตลอดไปวันก็คิดคืนก็คิดหอับนอนหลับไปหน่อยเฟินชั่วไปยืนตามมาคิดใหม่เพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันจะเกิดอันตรายเป็นอันตรายอย่างไรเพราะว่าเหมือนกันกับคนเก๊เขาตีเราอย่างนี้มันตีซ้ําไปในที่เดียวเีตีไปตีไปในที่สุดหนังมันก็นลุกในที่สุดก็ถึงเนื้อ อะไรอย่างเนี้ยเหมือนกันกับอารมณ์ที่คิดขึ้นมาในที่เดียวเนี่ยไม่รู้จะหยุดทาํายังไๆก็หยุดไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี้ยนั่นคืออันต ร, รายอาจจะทําให้ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นในทางร่างกายเราเป็นจะระทั่งกระส่าเสียเกิดที่ประหลาดใ <c oughs> บางคนไม่เคยทำสมาธิแต่ตัวระงับได้เพราะว่าเขามี กำลังธรรมชาติอย่างไรก็ตามถ้าเขาผู้นั้นได้มาฝึกจิตเขาจะยิ่ยงมีการระงับอารวาสได้ดีกว่าเดิมมากการอารวาสคือการเก็บกดภูกใจเจ็บอารมณ์นี้มีความคมมากเพราะมีการฝังตัวเป็นเป็นรกรากอยู่ในใจคือว่าอารมณ์ที่ มันเก็บกดอยู่ในใจนะมันไม่ได้ระบายออกมาคือสิ่งที่ไม่เห็นความปรารถนาปรารถนาในใจไม่สงความปรารถนานั่นเกิดความอามันเกิดความไม่เศร้าใจลึกทีกนี้มันลึกมันก็เก็บเอาไวา้พอเก็บไว้เมื่อไกลเป็นเชื้อเ <c oughs> มื่อไกลเป็นเชื้อแล้วก็เป็นความประสงค์ของใจ ซึ่งมันจะขยายวงกว้างขึ้นเมื่อขยายวงก็มีอำนาจมากเึร็แล้วก็จะเกิดความพยาบาทท่านอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มีผลที่จะให้เกิดความผุดวัยในใจหรือความว้าวุน่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นช่องทางของกิเลสตัวสาคัญที่จะแทกเข้ามาคือโทโสโมโหทั้งพวงเหล่านี้จะเข้าถึงจุดอันตราย อันจะเกิดแก่ครอบครัวและบุคคลอื่นละสังคมถ้ามันขยายความกว้างขึ้นกว้างขึ้นอันนี้มันเราไม่รู้ตัวหรอกในขณะที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยเวลามันเก็บเนี่ยมันจะเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บอยู่นะนนะพอ เ, เก็บไว้แล้วเนี่ยก็ขรอบคลขึ้นครอบคลุมขึ้นครอบคุณขึ้นมันก็เป็นโอกาสให้ตัวกิเลสเพราะว่ามันจ้องอยู่แล้ว พอเซมันก็เข้าพอเข้าได้ทีนี้เราไม่เป็นตัวของเราแล้วมันกลายเป็นตัวที่หนึ่งเขาเปรียบเหมือนกันกับมีตะเข้ใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรมันไม่รู้หรอกว่าหามของมันมันอะไรกันแน่เพราะมันใหญ่เกินไปเมื่อมันเห็นหามันก็นึกว่าสัตว์อื่นมันก็กินหางน่ะ ถ้าแค่กินหามตัวเองกินไว้กินมาหามก็หมดกินตัวอีกกินตัวตัวก็หมดเหลือแต่หัวก็เลยํามับําหายไปเลยอันนี้มันเป็นข้อเปรียบเทียบอะไรเขาเปรียบเทียบอาจารย์เล่าให้ฟังก็งมาเล่าต่อแล้วว่าหัวมันกินหัวมันเองได้ยังไง อ, อาจารย์เนี่ยต้มเราหรือเปล่า อท้ที่จริงนั่นไม่ใช่คือว่าในเมื่อเราเนี่ยปลูกใ้ตัวกิเลส โ, โสะมโหโตัวเนี่ยมันฝังอยู่ในใจแล้วมันขยายวงกว้างขึ้นพอมันขยายวงกว้างขึ้นเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวเราเองเมื่อไม่เป็นตัวเราเองนี่เราจะขาดความรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนหรือไม่เป็นใครเป็นไหนมันจะลืมไปหมดเมื่อลืมไปหมดอันนั้นแหละคืออันตราย อาจจะฆ่าตัวเองอาจจะฆ่าบุคคลผู้อื่นอาจจะทำร้ายอาจจะทำสิ่งที่ไม่นอา จ, จะทำเกิดขึ้นตรงหมายความว่าเมื่อเห็นหัวก็ามันจำก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อกฎที่จะต้องหาทางแก้ไขคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้สมาธิช่วยได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสมาธิควบคุมมารมณ์ เมื่อสมาธิช่วยได้พระสมาธิเป็นจุดศูนย์กลางของกำลังฝ่ายลบล้างอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เนื่องด้วยกองกำลังนี้ประกอบไปด้วยเจ็ดข้อคือหนึ่งพลังจิตสองความรอบข้อ 3. สามความหยุดยัง้งสี่ความเตือนตนห้าความอดทน หความเฉียบคงเจ็ดความวางเฉยในที่สุดทีนี้เราเรามาพิจารณาว่าทั้งเ็ดข้อเนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรฝึกรกําลังเหล่านี้ถูกซับซ้องด้วยสมาธิเราจะต้องทราบว่าสมาธินั้นดูเหมือนว่างเปล่าไม่มีอะไรคือเรานั่งสมาธิไปมันก็ เห็นแต่อากาศสะท้าเรานั่งสมาธิไปก็เห็นแต่วงกลมบา้ า, บางวงแก้วบังกว่ากันไปบางทีก็เห็นปูเขาเราก็บางทีก็เห็นแสงเห็นอะไรหลายทุาากอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นในเวลาที่เราทรําจิตนี้มันจะเหมือนกันกับความว่างเปล่ า, าแต่จงพากันเข้าใจถึงว่า ในความว่าเปล่านั้นกองกำลังทั้งเจ็ดได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วคือในขณะที่เราทำสมาธิแทนที่เราทำกันอยู่ทุกวันทุกวันนั่นอ่ะคือหมายความว่ากองกำลังทั้งเจ็ดเนี่ยมันอยู่ภายในสมาธิถูกสมาธินี่ซักซ้อมมันเหมือนกันกับกองกาลังฆ่ากองกำลังฆ่าศึกหรือว่า กองกําลังที่กำลังที่จะไปรบกับข้าศึกในการที่จะไปรบกับข้าศึกนั้นมันจําเป็นต้องฝึกจําเป็นต้องซ้อมจําเป็นต้องรวมกําลังจําเป็นต้องใช้วิชาการเท่าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่ใจิตของเราทําสมาธิอยู่นั่นกองกําลังทั้งเจ็ดนี้ได้อยู่ในการอุดซ้อม เลยแล้วฝึกซ้อม <c oughs> เ, อเพราะอะไรเพราะว่าขนะดจิตที่เป็นสมาธินั้นกระแสจิตพร้อมกับกองกำลังทั้งเก็ดได้พักตัวอย่างมีประสิทธิภาพและจุดอันนี้เป็นลักษณะในตัวของมันเองเมื่อกองกำลังทั้งเก็ดได้รับการฝึกซ้อมจนมีประสิทธิภาพดีและค่อนข้างดี ก็อยู่ที่ผู้บัญชาการจะจัดทับอย่างไรทีนี้ในสมาธิเนี่ยเมื่อเวลาทาสมาธิลงไปเนี่ยมันจะไปบำลุงเอ่อไปบารุงกำลังแล้วก็บำลุงกำลังออกมากลายเป็นสติสติเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่เราเกิดพลาดตั้งเนี่ยหมายความว่าเสีสติ แต่ในขณะที่เราอยู่ในการทำที่ไม่พลาดรั้งนั้นแปลว่าเรามีสติสติอันนี้จะต้องเกิดขึ้นมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาใดที่เราหลับไปเนี่ยเรียกว่าหมดสติพอเวลาเราลืมตาขึ้นมาเรียกว่าได้สติแล้ว ในตอนที่หลับไปนั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องพอเวลาลุกขึ้นมาออก็ได้สติแล้วอันนี้คือว่าเป็นเรื่องของอการอบรมในเรื่องของสมาธิในสมาธิเหล่านี้ยเราเห็นเหมือน ก, นกันกับเป็นของว่างเปล่าแต่ในขณะเดียวกันกำลังทั้งเหตุ น, นี้ยมฝึกซ้อมคือฝึกซ้อมพร้อมที่จะรับ รับกําลังของข้าศึกก็อยู่ที่ผู้บัญชาการจะจัดทัพอย่างไรตรงนี้จึงอยู่ที่ความชาญฉลาดของผู้บัญชาการที่จะจัดการวางแผนเราอาจจะเปรียบด้วยกองทัพที่พร้อมรบด้วยอาวุธทิศทันสมัยอันดีเยี่ยมพร้อมทั้งหน่วยทหารทั้งหลายใช้อาวุธและระวังข้าศึกที่จะเข้าโจมตี ย่อมสามารถรับการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ชนะการใช้ได้และผู้บัญชาการก็จะสั่งโจมตีค่าศึกเพื่อเอาความเอาใช้ชนะในที่นี้เราถือว่าอารมณ์ร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นคือสตรูในขณะที่เรามีสติและในขณะที่เรามีสมาธิ นั่นคือกองกาลังกองกำลังที่จปวดทหาทีนี้เวลาที่อารมณ์มันมานั่นอ่ะมันมาแบบนามธรรมมันมันไม่ได้มาแบบอาหารเดินทับมาจริงๆแต่มันมาแบบนามธรรมมันมากับอากาศอาวุาอากา อ, อมันจะไหลกันเข้ามาสู่ใจเรา ถ้ามันก็มาโดยที่ว่าส่งกองกำลังมาไม่หยุดไม่หยอดมันก็ส่งมาเรื่อยเพราะฉะนั้นในกองกำลังทั้งเจ็ดนี้ก็เป็นนรร้ำมะคำเช่นเดียวกันคือน้ำมะรำรต่อน้ำมะคำเนี่ยจะต้องมีการได้ปะทะกันอันนี้อธิบายอันเนี้ยเพื่อให้เข้าใจวิธีการว่าเราจะควบคุมอารมณ์งงได้อย่างไร พวบคมอารมณ์ได้เพราะเราต้องมีพรังขิ้เราเองเนี่ยเราไม่อยากรอกว่าไอ้สิ่งร้ายเหล่านี้มันจะเข้ามาเนี่ยเราไม่อยากได้มันมันมากอคุ้มความวุ่นวายให้กับใจของเราเราไม่อยากได้แต่ว่าเราต้องพบเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาการทำตรงรามกันเนี่ยนอกจากว่าจะทำการเึ้นหน้าแล้ว มันก็จะต้องมีกองใต้ดินกองใต้ดินแล้วก็ยังมีสปายพวกสปายทั้งหลายพวกสปายทั้งหลายเหล่านี้มันก็อยู่ในในใจของเราเนี่ยกองใต้ดินก็อยู่ในนี้เพราะมันเกิดขึ้นมาเองมันเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยกองกำลังทั้งเจ็ดเราไม่ขันทามสา ม, ส า, มารถสู้ได้ทั้งกองใต้ดิน สามารถสู้ได้ทั้งสบายสามารถที่จะสู้ได้ทั้งมาตึงหน้าแต่ว่าต้องซักซ้อมคือถ้าเราไปประมาทเมื่อไรเราอาจจะเสียดีที่ว่าประมาทนั่นเพราะว่าเราไม่พยายามซักซ้อมไม่พยายามทักซ้อมนันก็คือไม่พยายามจะทำสมาธิอย่างน้อยที่สุดวิธีสาสมาธิ มันนั่งเยอะไม่ได้ก็เอาแค่ห้านาทีอย่างเนี้ยห้านาทีก็ต้องทำสามครั้งทําต่ากว่าสามครั้งมันก็ไม่พอใช้อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเรานั่งได้สามสิบนาทีก็ถือว่าเราได้สักรอมได้อย่างดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้ฟังให้ง่ายเวลาเราจะอธิบายให้ใครฟังสักคนหนึ่งเนี่ เราก็จำเอาคำของอย่างของพ่อพูดนี่แหละแล้วก็เอาไปขยับขยายเองเรียกว่าไปขยายข้อความเอาแต่ว่าหัวข้อจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ดังนั้นเมื่อความฉุนเฉียวเกิดขึ้นกองที่สองจะต้องออกมารับนี่วิธีการอันนี้พูดไว้ยยอะๆอย่างที่ว่า ถ้าความอนุวาดเกิดขึ้นกองที่ห้าเขาจะมารับถ้าความเก็บกดในใจไม่พอใจเกิดขึ้นกองที่สี่เขาจะออกมารับเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอีกกําลังสมาธิทั้งเ็ดประการถ้าเรียกว่ า, วากองกําลังทั้งเ็ดเพราะากองกําลังทั้งเจ็ดนี่มันจะเป็นอัตโมติของมันเกิดขึ้นเวลาที่มันเกิดขึน้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย ไอ้กองกำลังทั้งเจ็ดเนี่ยมันจะก่อเพราะว่ามันเราก่อตัวอยู่แล้วเมื่อเวลาเราทำสมาธิทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยไอ้กองกำลังทั้งเจ็ดมันก่อตัวอยู่เต็มที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อมีอะไรมาตัวนี้ก็รับรับอยู่ถือว่าจอดเยียถ้ารับไม่อยู่ตัวใครตัวมัน ถ้าหาว่าศึกษาเกลืทซับมาอยู่หมดนี่รุมออกกุต้อง <c oughs> นี่เข้าใส่ขึแช่ใส่กรน <c oughs> ก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นความชัดเจนนี่ววเราพูดว่าอธิบายมานี่คือความชัดเจนชัดเจนหรืออีกในหนึ่งเรีย ก, กว่าเจนสนามหมายถึงว่ามีความคร่องตัว อารมณ์นั่นหมายถึงความนึกคิดคือจิตของมนุษย์นั่นก่อนจะออกมาภายนอกความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจสารพัดอารมณ์จึงเป็นกระแสอันหนึ่งพัดพาย่างไม่หยุดยั้งในจิตใจของทุกๆคนเป็นต้นเหตุให้มีการแสดงออกมาคือก่อนแต่ที่จะแสดงออกมาเนี่ยในจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะมีการปรุงมีการแต่งมีการสร้างภาพ มีการอะไราสารมัติก่อนที่มันจะออกมาได้มันก็จะต้องปรับคุมกลัวออกมาก่อนพอออกมาก็ปรากฏภายนอกซึ่งทําเป็นท่าทางกิยาวาจาด้วยพรติการต่างๆเพื่อที่จะออกมาให้ปรากฏอดังนั้นความสำคัญจึงเกิดกับสมาธิเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเมื่อสมาธิได้มีการซักครออารมณ์ภายในตัว งั้นอย่างบุคคลทั่วๆไปต้องการที่จะทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องใช้การซักลอกเกลือสบูว่างของซักลอกบ้างเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยหรือเครื่องใช้ต่างๆสะอาดปราศจากเชื้อโรคสมควรเกิดการอุบโภคบริโภคสมาธิจะเช่นกันสมาธิจะเข้าไปซักลอกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เป็นกระแส ที่จะพัฒนาเอาวัตถุที่เป็นพิษบ้างที่เสียบ้างที่เบืเบอ่อเปื่อบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นต้นเหตุเพราะว่าได้ถูกกองกำลังทั้งเจ็ดรอมทั้งได้มีการชำระและสักพอกแล้ว เ, เวลาออกมาพูดออกมาเคียร์ทางพูดออกมาอะไรออกมาต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่ที่มีความสุขต ล, ลอดจกนกระทั่งเป็นประโยชน์ ลดความรุนแรงลงไปอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ทีนี้ในตรงกันข้ามถ้าหากใจนี้เดินเข้าสู่จุดเดียวด้วยอารมณ์อันเป็นการสร้างสรรค์คือการบริกรรมพุทโธพุทโธจิตจะอยู่ในอารมณ์ที่ดีพร้อมแล้วที่จะทําความชุ่มชื้นให้เกิดความสงบเยือกเยน็นโดยมีสมาธิเป็นที่ตั้ง เช่นเดียวกันเมื่ออารมณ์ร้ายบริกรรมก็บริกรรมเหมือนกันอารมณ์ร้ายบริกรรมเข้าบริกรรมเข้าบริกรรมเข้ามันทำภูได้มันทำภูได้มันทำภูได้เพราะว่ากันไปในที่สุดใจของเราก็มันก็ถูกทีมันถูกชอะช้าขึ้นพอช้าเข้าช้ำเข้าเจตสสารมันก็เสียอย่างนี้อันนี้คือฝ่ายฝ่ายร้ายทีนี้พอมาฝ่ายดี เราวันไหนก็พุทโธวันไหนก็พุทโธวันไหนก็พุทโธอต่ทีนี้อะไรจะเกิดเกิดทีมันก็ตรงกันข้ามอันนั้นเป็นร้าย น, นี้ก็กลายเป็นดีก็คืออารมณ์พันเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นการบริกรรมพุทโธที่เราทํากันอยนะู่ะทําแล้วทำอีกทาแล้วทำอีกผลที่มันออกมาเนี่ยทําให้ประสาทดีทําให้โดยการกัน การพูดโอพนะพูดพอเนี่ยมันจะเสียเปล่าที่จริงไม่ใช่เหมือนกันกับการที่นึกว่ามึงนะทํากูได้มึงนะทํากูได้มันก็ไม่เสียเปล่าเหมือนกันแต่ว่ามันไปทําให้จิตชอบช้าแล้วก็เกิดละกําใจแล้วก็เกิดเสียเส้นประสาทแต่ทีนี้เรามันไดกพุดโอพูดพอมันก็ลงจุดเดียวเหมือนกันแต่มันกลับกลายเป็นทําให้ประสาทดีอประสาทไม่ดีก็ทําให้ดีนอนไม่หลับก็นอนหลับ ทำงานไม่ได้ก็ทำได้จิตใจไม่เคยแข็งแข็งก็แข็งขึ้นไม่เคย飒ซึ้งในใจก็เกิดความ飒ซึ้งในใจขึ้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่อธิบายในวันนี้วันนี้ลครคขังก็ไม่ดีเ<笑>ป็นฮะดีเหรอี่ย<笑>หูเราเป็นไงไป<笑> อธิบายเพื่อที่จะรอและทำนะเพื่อทำอะไรม่ได้เจ๊ดจริงจริง <c oughs> อ๋อ น, นันอธิบายเพลินหูดับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อหลวงปู่มั่นต่ อ, อในเมื่ อ, อไปถึงแล้วเนี่ยไอ้ผลบ้ามันก็หายไปแล้วก็อยู่สอง องกับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านบอกว่าในการเดินทุดงครั้งนี้ของเราเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายในขนาดนั้นท่านก็าอายุกว่าเจ็ดสิบแล้วในการที่จะเดินทุดงต่อไปก็คงไม่มีกับเราเพราะฉะนั้น เ, เราก็จะคล้ายๆกับว่าถ่ายทอดนี่หลวงพ่อพูดเองว่า อันก็คงถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเช่นเวลาเดินทํายังไงมันถึงจะไม่เหนื่อยเนี่ยแกวิ่งเกือบตายฉันเดินเฉยๆแกก็ตามไม่ทันว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรากําหนดลมก็กำหนดตรงไหนอ่าหลวงพ่อถึงไปรู้ว่าอ๋อเอกคนที่มันจะเกิดมาแล้วตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องกําหนดไปตรงนั้นอย่างเนี้ยคือตัวดันเนี่ยไอ้ตัวนี้นะ เกิดมาไม่เคยรู้หรอกว่าเราหายใจเองแหะหายใจออกหายใจเข้าของหนคือธรรมดาท่านบอกว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันกาลังดันมันมีเราไปจับตรงนั้นพอเราจับตรงนั้นได้มันก็หายเหนื่อยเอา้าถ้าอย่างนั้นสามสิบกิโลหน้าเราเป็นอันรู้กันอะไอย่างนั้นทีนี้กำหนดได้หรือยังท่านบอกเร า, าก็บอกว่าได้แล้วเเราก็ฝึกมาแปดปีแล้วนี่อา่า เอาคนมานตรงนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่ก็ไปทีนี้อาจารย์ก็รู้สึก็เดินทันกันแล้วเที่ยวนี้เอออย่างนี้ใช้ได้สินะ้าว่ามันนะา้นนี่ทดลองเป็นอันดับแรกจากนั้นเอพอท่านนึกอะไรได้ถึงก็หันกลับเดินไปเนี่ยนะเดินไปดีๆอย่างเงี้ยอพอ น, นึกออะไรได้ถึงก็หันกลับมาบอกนี่พยายามถ้าหากว่ า, าแกจะเผยแพร่ศาสนา ในประเทศต่างประเทศเราก็ไม่รู้นะต่างประเทศมันคืออะไรแต่ก่อนยังไม่รู้รู้ได้แต่เมืองพาราณสีเท่านั้นเองช็จะว่าเมืองอะไรไม่เคยรู้ก็ไม่ได้เรียนมาอนี่ไม่ต่างประเทศนี่ต้องบอกว่าให้ฟังคำนี้ไว้ออตกใสน้ําดังปกตกใสบโกดังทวนตกใส่น้งงนองจะกล่องดังกล่องทัวเมืองทาเมืองเท่าจากตัวทั้งสี ก็ขยนันล่นเขารูปปูไหว้ส่าว่ายังรองประเห็นตนตื่นประตื่นท่านเขายังทึ่งเอา้าผมฟังไม่ออกครับว่าอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เราไป ใ, ใหม่ๆอย่างเงี้ยมันยังฟังภาษาเราไม่ออกท่านก็มาพูดเราให้ท่านก็ลำ้ำเพราะเหตุว่าท่านเป็นหมอลำเก่ า, าท่านก็เลยลำ้ำ อตกสูนน้ำต้องพกตกสูบดังควรแล้วท่านให้ให้จำด้วยนะอให้จำนะแล้วก็ว่าให้สำเนียงให้ได้อย่างนี้ด้วยโอ้ว่าจะหัดกันเดินไปหลายกิโลอตกสูน้ำต้องพกตกสูบดังทวนตเสูนอนอย่ากล้องดักล้องตัวเมืองทำเดื่อเท่าจะตวันทำซีลบเกียจยนแอลนเท้ารูปภูไว้สวะยังลงเรเห็นสน เลือดพื้นทำเขายังทมใช่ไหมมันก <Yes ็เหมือนกันนะมันเหมือนกับคนไทยพูดฝรั่งมันก็ไม่ชัดท่านบหัวเราะไปตามทางแล้วท่านก็อธิบายไปว่าคนที่อวดเก่งแต่ไม่มีความรู้มีชื่อเสียง ไม่มีประโยชน์นั่นว่าอย่างนั้นคือตกใส่ น, น้ําดังปกคือตามธรรมดาในตกใส่ น, น้ํามันต้องดังทวนมันมันต้องมีเสียงคืออย่างเราโยนหินไปอย่างเงี้ยถ้าหาวกว่ามันไปตกใส่โบกเนีมันไ ม, ไม่ไม่ดังอะไรอะ่ะแต่ว่าท่านว่าตกใส่โบกดังทวนอตกใส่น้ําดังปกตกใส่น้ํามันไม่ดังปกไม่ได้ไมันต้องดังทวนแต่ว่า ให้ชื่อเสียงเนี่ยสร้างภาพขึ้นการสร้างภาพให้เกิดชื่อเสียงนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กอกวิทยายังเลยแ่างั้นแต่ตกใส่น้ำดัาปล ก, ก, กดระบดําทวนอันนี้คือทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าการสร้างภาพขึ้นสร้างภาพขึ้นเราไม่เป็นอย่างนั้นแต่สร้างภาพขึ้นเช่นอย่างเราไม่ใช่พระเนี่ยเราจะทำเหมือนพระซะนี่ก็สร้างภาพขึ้น อหรือว่าเราไม่เก่งจะทําตัวไปเก่งซะมันจะได้มีชื่อเสียงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องออกไปเผยแพร่ที่ไหนเผยแพร่เมืองไทยก็ไม่ไหวทันว่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะดีก็ให้ดีด้วยคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรท่านบอกว่าก่อนหน้านั้นพระโพธิสัตว์หลวงจังตกเสียงร้องยากร้องดํากล้องทั่วเมือง ทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่รู้จักขั้นตอนของธรรมะมีความอดทนรู้ด้วยความเสียสละไม่มีความคิดว่าอยากจะได้ยศอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะได้อะไรแต่บุคคลผู้นั้นสร้างคุณธรรมให้เต็มที่ เผยแผ่ไปเถอะมันบอกว่าวิญญาณเผยแผ่ไปเถอะให้มันเป็นไปตามความจริงมันจัดดังกล้องทั่วเมืองคเพื่งเข้าจา ก, กระวันทั้งสีจากตะวันทั้งสี่คืออะไรอ่ะทีนี้เราก็ไม่รู้จักตะวันทั้งสีจา ก, กระวันทั้งสีคือทอวีปอเมริกาทาวีปยุโรปทวีปอะไรอีกล่ะสองทวีปแอฟริกาเอเชียอะไรอย่างเนี้ยอจากตวันทั้งสี เออกบเขียดย่านแล่นเขา้ารูปทั้งกบทั้งเขียดหมายความว่าคนทั้งใหญ่คนทั้งเล็กเนี่ยสามารถที่จะยอมรับยอมรับว่าการที่เผยแพร่เชน่นนี้ถึงจะได้ประโยชน์อันนี้ก็พูดมากถ้าหมหาวิาจะาพูดมากก็คงจะไม่ใช่ประวัติแต่ทีนี้เวลานี้หลวงพ่อกำลังเล่าประวัติตอนนี้ก็เดินไปถึง นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วอี่ตอนนี้ไอ้บ้าหายจ่อยร้องพ่อตะไคร่บาทสองลูกแล้วเอาใหม่แล้วทีนี้อแกเอาไหวนะไหมหนูก็ไหวแม่ไม่กลัวหรอกเดินตั้งแต่เมืองจันทบุรีถึงเมืองสกลตะไคร่าบาทสองลูกตลอดก็ไปถึงท่าท่าพนม แล้วท่านบอกว่าเราอย่าขึ้นเข้าไปเลยพระธาตุพนมแวกวัดที่หลวงปู่เสาเขาสร้างไว้วัดนั้นชื่อว่าวัดออกแก้วหลวงพ่อก็เลยสะพายบาตเข้าไปที่นั่นจัดเรียบร้อยถาวายท่านไปถึงก็คงจะประมาณบ่ายสามโมงยังไม่ขึ้นเมื่อทัานพักแล้วเราก็ไปเสียวหากวาดนู่นกวาดนี่เราจะนั่งเฉยไม่ได้ แล้วก็ไปดูท่านี้ทีไล่ว่าพวกนี้จะไปบินธบาติทางไหนจะออกเดินทางไหนก็ไปถามพวกญาติโยมใกล้ๆว่าพระนี่ก็บินธบาติทางไหนแล้วก็เวลานั่งฉันนั่งฉันตรงไหนอะไรก็ว่าอันนี้เตรียมพร้อมก็คงไปถึงวันอ่องแก้แวเ้าอยู่ที่นี่ก่อนพ่งนี้ก็คงจะถึงพระธานพนม เกี่ยวกับพระองค์หนึ่งเกี่ยวกับนักการเมืองอะไรๆต่างๆนั้นที่หลวงพ่อไม่ตอบ<ช>ก็คือว่าในที่นี้ของเราเป็นเรื่องของสมาธิเราต้องการให้จิตใจสงบเรื่องนั้นก็เลยต้องยกไว้ เออเพราะต้องการความสงบอเลยก็คงจะขออาภัยอ่ะที่ไม่ได้ตอบต่อไปก็คุณยองยุทธวิทยาวงรุจิกราบนพิธีการสมเด็จพราเดชทุกคุณท่าอาจารย์ที่เคารพกั อ, อผมขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีทาสมาธินะผมทำ มาคือจิตเนี่ยบางครั้งก็นิ่งบางครั้งก็ไม่นิ่งจะให้ท่านอาจารชี้ชีแน่ว่าทำอย่างไรจะให้มันจิตนิ่งทุกค ร, ครั้วเอ่ออธิบายให้ฟังเลยว่าจิต ท, ที่เราทำเนี่ยมันจะนิ่งทุกคราวไปไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติแม่กระถามหลวงพ่อ ทำมาตลอดระยะเวลาเกือบห้าสิบปีในการนิ่งทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าใ น, นาาการการะทําเนี่ยเราจะต้องมีเหตุคือว่าเราต้องทําทําทําทําพ อ, อนิ่งนั่นนะคือผลมันเหมือนกันารรับประทานอาหารี้การรับประทานอาหารคือการรับประทานอาหารการอิ่มคือการอิ่ม แต่ว่าจะเอาการหิมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนการรับทานไม่ได้นันจะต้องมีเหตุว่าจะต้องทำอาจจะต้องทำวันหนึ่งสองวันแล้วก็ไปถึงจุดหรือบางเจียยอาจจะห้าวันหกวันไปถึงจุดหรืออาจจะทาวันถึงจุดวันถึงจุดอันนี้ก็สุดแล้วแต่พลังจิตแต่ว่าอย่างที่เราก็ใจว่าเมื่อเวลาเราทำจิตแล้ว ให้มันให้มันนิ่งทุกครั้งึ่งเนี่ยที่จริงความนิง่งรู้ความสงบนะั้คือผลแต่เหตุก็คือความที่ไม่สงบที่เรานึกพุทโธเราคิดนึกเราตั้งจิตตั้งใจอันนั้นอันนั้นคือความเป็นสมาธินะับแต่วินาทีเราบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นสมาธิตลอดไปอนะการเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ต่อไปขอเชิญพันธ์ตำหลวงโททองสุกดาวคลอยครับมรดการท่านพระอาจารย์กระผมมีปัญหาที่จะตอบคำถามงานท่านพระอาจารย์หลายหลายปัญหาแต่ท่านนักศึกษาท่านก่อ น, นก่อนได้ให้กระผมจะมีโอกาสมาตอบถามในวันนี้มันได้ตอบถามท่านพระอาจารย์ไปหมดแล้ว แล้วก็ผมก็เข้าใจดีผมเร็นไม่มีปัญหาที่จะตาบเรียนครับผมถาหมดเลยแสดงว่านักศึกษาเรานี่เก่งน่าดู <c oughs> คุณพัชรีพุ่มไพจิตกรบมนักการพ่าจางจริงๆอ่ะสิมีคำถามเยอะแย ะ, ยะ แต่ว่าขอขอนิดเดียวนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้สมาชีกับการควบคุมอารมณ์อะ่ะใช่ไหมคะเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นสิธก็อยากให้พระาอาจารย์ช่วยให้กำลังใจพวกเราะคะ่ะแค่นั้นคะ่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะยังไงก็คงจะกดอารมณ์ไม่ได้นะไม่เล่นงานหลวงพอ่อ ต่ อ, อไปก็ขอเชิญคุณมังสิ น, นีธนกงลำเลิศาราการท่าอาจารย์ค่ะเอ่อจิตวีปัญหาจารคะคะแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับสมาธิ น, นะคะเอ่อที่ว่าในนครธรรมเราเนี่ยนะคะพราะว่ากล่าวกันว่ามีธรรมทั้งสีด้านเนี่ยทั้งสี่ทิศเลยค่ะอยากทราบว่าแต่ละทิศนี่มีความหมายอย่างไรบ้างคะ เออมันหายไปซะสองทิศทิศหนึ่งก็ไปเป็นสถาบันพลังจิตานุภาพอีกทิศนั่นก็กลายไปเป็นเออศูนย์สมาธิเขาเลยลบหมดที่จริงแล้วนั่นทิศแรกชื่อของพระมหาเจดีย์ชื่อว่าพระวิทยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสิน อันนี้ตั้งเองพระวิริย์พระกัคเหลวงพ่อนี่เป็นพระวิริยะก็ชื่อของหลวงพ่อก็วิริย์อย่างนะครับวิริยะมงคลก็คือวัดธรรมมงคลเท <c oughs> วมงคลมหาก็คือใหญ่เจดีย์ก็ว่าเจดีย์นี้ทั้งสูงื่องใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และทีนี้มหาวิเรียนมงคลมหาเจดีสีก็คือเป็นเิ่ม่งขวัญรัตนโกสิน์ของกรุงรัตนโกสิน์เป็นความหมายอย่างนั้นทีนี้มาทางด้านนี้คือทางด้านโรงเรียนคือทางด้านทิศเหนือเนี่ยเวลานี้ยังอยู่เขียนไว้ว่าอิจฉาโลภสมมาปันโนสมมโนกิงภวิสติ แปล ว, ว่าผู้ที่มีความอิจฉาและมีความโลภจะเป็นพระได้อย่างไรตั้งคําถามให้พระเขาตอบถ้าคนมีความอิจฉาคนอื่นก็ว่าฉันไม่อยากให้คุณได้ดีอฉันไม่เออฉันฉันไม่อิจฉาคุณแต่ฉันไม่อยากให้คุณได้ดี เพไม่อิจฉาคุณแต่ไม่อยากให้คุณได้ดีมันก็คืออิจฉานั่นเอง <c oughs> ถ้ามีอิจฉาและมีโลภะจะเป็นพระได้ยังไงก็ถือว่าไม่เป็นพระเป็นพระแต่กายแต่ใจไม่เป็นอันนี้พอมาถึงด้านที่ลบไปเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมาทำตัวหนังสือแทนแล้วเพราะว่าได ปไปว่าทางด้านทิศ ต, ตะวันออกนี้จะให้ภาสิว่าวิริเยนนุคมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราก็ทิศที่อยู่ที่สถาบันพลังานุภาพนี้ได้เขียนด้วยว่าสหกิตตปิโยทัปนังเอตังบุต ธ, ธานาศสาสนังการทำจิตให้สงบ ถือว่าเป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเออคุณีกระถามคาถาดีนะต่อไปก็ขอเชิญคุณชะลิดาอนันตอนันทิศกราบคุณพาท่านอาจารย์โลคกรรมวิสัยหรือโลคกรรมเก่าถ้าเจ้าคําในเวรไม่อโหสิกรรมให้ จะใช้พลางจิตรักษาจะมีโอกาสหายหรือไม่คะและและอยากทราบว่าเมื่อพระอรหรันตปฏิบัติเข้าผลสมาบัติหรือมิโรธสมาบัติเป็นเดือนเป็นปีท่านไม่ฉันอาหารไม่ขับถายไม่หายใจจริงหรือคะถ้าจริงขันต้องดับไม่ใช่หรือเจ้าคะกราบขอพระคุณ อ่าดอกขอสุดท้ายพระอรหันต์ไม่ถ่ายไม่กินเครื่อชนสมบัติท่านใจเครอชันอาจจะเพราะเวลาได้เจ็ดวันคือร่างกายของคนเรานี่เจ็ดวันมีพอทนได้เลยเจ็ดวันไปหนึ่องคนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ชันไม่ถ่ายก็เกินเจ็ดวัน ก็คนจะนับขันถึงให้ความว่าสสเสร็จเรียบร้อยอะไรเนี่ยผ ล, ผลสมาบัตทิที่จริงๆนี่เองผลสมาบัติจะไม่ผลสมาบัติก็คือผลสมาบัติแต่ว่าร่างกายก็คือร่างกายเพราะฉะนั้นจะไปใช้สมาบัติก็ได้เฉพาะที่ว่าร่างกายพอทนได้ าร่างกายทนไม่ได้สมาบัิก็ช่ไม่ได้อย่างพระอรหันต์นี่ท่านก็ต้องฉันเหมือนกันเดินเหมือนกันหายเหมือนกันเหมือนปกติช่วงอยู่ในชานหายใจหรือเปล่าช่วงอยู่ในชานหายใจเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่มีแต่ลมก็ต้องหายใจอยู่ ในเรื่องของการอโหสิกรรมหรือไม่อโหสิกรรมเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรอะไรที่เราเชื่อกันเนี่ยอันที่จริงแล้วนี่การทําสมาธิได้ช่วยเมื่อทําสมาธิแล้วนี่จิตมีพลังจิตแล้วเราส่งสุวนกุศให้แล้วเนี่ยอโหสิกรรมได้ตลอด <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสิวเตียงแท่เซียว ก็ห้องน้ำไปซะแล้วยังอยู่ถามนามสการค้ะอาจารย์ค่ะสิกอยากถามว่าหลวงปู่เทพโลกดอนมีจริงหรือไม่ค่ะและมีและพระธุดงค์มักจะได้เพราเห็นเพราเห็นท่าน จริงหรือไม่คะเออหลงเข้าไปพรอบกันทิ่โหราชแล้วก็ น, นั่งคุยกันอย่างสบายแล้วก็บอกว่าที่วัดคำมงคลเรียนมีโรงเรียนสมาธิเออดีมันกันจะได้มาชวนนักศึกษาไปเชี่ยวเมืองรับแรงเลย แต่หลวงพ่อเองก็บอกว่า <p> มันไม่ค่อยจะเชื่อนะเพื่อนบอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูบางทีอาจจะไปนิมนต์ท่านมาขึ้นรอยอินทนนด้วยกันคราวนี้ก็ได้ที่เชี่ยนี้เราหายไปหมดทั้งสี่ร้อยนเสื้อพิมลงตามหากันแย่ ไม่เจอ๋อแต่ว่านั่นที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้คุยกับท่านอ ย, อยู่ที่เพราะว่าท่านรู้ว่าหลวงพ่อไปสร้างประโยชน์ให้แกมหาวิทยายลัยนิดาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาท่านกันเลยมาวันนั้น มาแล้วไม่ชมมาเฉยแล้วยังมาฉันเพลด้วยกันอีกอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายังไงก็นะเป็นเป็นใครก็เป็นโลอุดอไงเออโลอุด อ, อมันทำไมก็หัตาก็เหมือนคนนี่นะ <c oughs> ก็เป็นพระองค์หนึ่งีแหละแต่ว่าจริงแล้วไม่จริงนั่นน่ะก็ได้พบไปแล้วลหละคงตอบได้เท่านี้ขอพบพระคุณค่ะ อง <c oughs> จะจบทนเนี่แลละนะ